เราเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไปรู้ถ้าเราตัวเราเนี่ยไปรู้ความคิดมันจะคิดเป็นเรื่องไปเลยแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ที่ตัวเราเนี่ยไม่เอาตัวเราไปรู้มันจะมันจะเป็นรู้ตัวใหม่ที่มันรู้ปุ๊บมันกมาภาคใหม่พอรู้ว่าคิดอะไรปุ๊บไอตัวพูดรู้ตัวใหม่มันก็จะภาคไปยังไงเฮ้ยเดี๋ยวคิดอากุศลได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเราคิดยังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้คิดยังงี้เออนี่คิดเป็นกุศลนะเนี่ยไอ้นี่คิดเป็นอกุศลมันก็จะภาคทันทีเราก็จะรู้ตัวเราได้ภาคไม่หยุด แต่ถ้าเราอ่ะหลงเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับธรรมอารมณ์ไปอยู่กับเวทน า, าสัญญาสังขารอยู่กับความคิดเราก็จะเอาตัวเราไปดูความคิดดูเวทนาจนจบเป็นเรื่องๆไปจนจบเป็นเรื่องๆอันนี้หลงหลงคิดหลงติดรถไฟกระบวนการของความคิดความเร็วสูงอ่ะรถไฟความเร็วสูงที่เป็นรถไฟความคิดเนี่ยเราเนี่ยเท่ากระโดดขึ้นรถไฟไปแล้วก็ตายก็รถไฟขบวนนั้นขบวนเดียวคือรู้เรื่องที่เราคิดเรื่องเดียวจนจบเป็นเรื่องๆจบเรื่องอย่างเงี้ยหลงวิธีจิตจะไม่หลงก็คือ อย่าเอาตัวเราเนี่ยขันาห้าเนี่ยไปรู้ถ้าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้มันก็จะรู้แต่ไอรถไฟกระบวนเดียวคือเราติดรถไฟไปเราต้องรู้ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยรู้อะไรแล้วมันมาคิดมันคิดอะไรภาคอะไรวิเคราะห์วิจารณ์อะไรถ้าเรารู้ตัวเราเนี่ยมันก็จะมารู้จิตหรืวิญญาณขักฐานตลอดไปเลยเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแ จ, จง่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจง่มแจ้งเป็นนิโรธ ตอนนี้มันจะต่างกับฟ้ากับดินเลยในการปฏิบัติอ่ะถ้าเราไปรู้แต่อารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้แต่เวทนารู้แต่สัญญารู้แต่สังขารคือความคิดเราไปรู้แต่เรื่องที่คิดเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกสผลของจิตส่งออกนอกมันจะเป็นทุกข์เราก็เลยเดินทางใช้ชีวิตเนี่ยในฝ่ายทุกข์กสุนไทยทุกกระสุนไทยทุกกระสุนไท ย, ท, ท, ยทั้งชีวิตเลย เราไม่ได้เดินทางอยู่ในฝ่ายของอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลคือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอะไรก็นี่คือตัวเราเนี่ยมันรู้อะไรมันเอามาภาคมาพูดมาคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งภาคทั้งวิเคราะห์วิจารวิจัยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งภาคทั้งวิเคราะห์วิจัยพอมันรู้ความคิดปุ๊บมันก็พูดใหม่พอไปรู้ความคิดปุ๊บมันก็พูดใหม่ภาคใหม่รู้อะไรมันก็พูดใหม่ภาคใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวมัน สามารถฝึกไปเลยในขณะเนี้ยคือตามองเห็นลงตาอยู่หูได้ยินลงตาอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าใจท่านไม่ต้องจําเป็นต้องเข้าใจว่าลุงตาพูดว่าอะไรไม่มีประโยชน์แต่ท่านรู้ไม่ว่าในใจท่านเนี่ยพูดแข่งกับลุงตาไว้ยังไงอันนี้เนี่ยท่านพ้นทุกได้แต่ท่านจําได้ว่าลุงตาพูดว่าอะไรไม่พ้นทุกงนั้นท่านจะเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้ว่าลุงตาพูดว่าอะไรไม่พ้นทุกข์ท่านเพียงแค่จําได้ไปพูดต่อไม่พ้นทุก แต่ในขณะที่ท่านเนี่ยฟังลุงตาไปเนี่ยตาก็มองเห็นลุงตาอยู่ก็ได้ยินเสียงลุตาอยู่เนี่ยแต่ท่านเห็นอยู Tracy, ่ในใจตลอดเวลาเลยท่านพูดแข่งกับลุงตาในใจตลอดเวลาเลยพูดไม่หยุดเลยอันนี้คือถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ใจผิดว่าเราลาคาญมันเราในพูดไม่หยุดจะฟังลุงตาพูดซะหน่อยฮะแต่ในใจเราเนี่ยพูดไม่หยุดเรามีคนหลายคนก็ใจผิดไปโมโหมันแล้วพยายามไล่ดับมันทําหาวิถีทางทุกวิถีฐานจะดับไอตัวที่พูดไม่หยุดออยู่ในใจตลอดเวลา เข้าใจผิดกลับอีกการหนึ่งอะความรู้สึกตัวที่มาฟังลุงตาอยู่เนี่ยไม่มีแล้วนั่งคิดอะไรเพลินไปเยอันนี้ก็หลงอ่หลงติดรถไฟขึ้นไปเลยแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยลุงตาพูดไปอย่างงี้นะต่แม้แต่ฟังไม่เข้าใจนะแต่ก็ตาก็มองเห็นลุงตาอยู่ก็ได้ยินอยู่ลุงตาพูดไปอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องเข้าใจแต่สังเกตด้วยในตลอเวลาในใจว่าในใจแล้วเนี่ยพูดไม่หยุดพูดแข่งกับลุงตาไม่หยุด อันนี้ยถูกต้องแล้วจะพ้นทุกได้คือจะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอย่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจะเป็นนิโรธดังั้นถ้าเราเนี่ยรู้ถูกต้องคือรู้ที่ตัวเราแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปคนไปรู้ความคิดเป็นเรื่องๆไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้อาการของใจอย่างเนี้ยเราก็ต้องกลัวหลงมันจะคิดอะไรก็จ้างมาแต่รู้รู้ตัวใหม่เรื่อยไปรู้ตังผู้รู้ตัวใหม่เรื่อยไปเราจะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องเอาไอ้รู้นี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของใจพระอาหารนักหลายท่านอยู่กับรู้ ก็รู้นี่เลยรู้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราไปรู้รู้ตัวเราเนี่ยท่พากไม่หยุดพูดไม่หยุดรู้ตัวเราก็คืออะไรก็คือเราเนี่ยไปยึดขันห้าเป็นตัวเราเลยเวลาเราไปรู้อะไรเราก็เอาตัวเราไปคนรู้เนีพอเราไปรู้อะไรก็เออผมเป็นคนได้เห็นไงพอได้ยินอะไรก็ผมได้ยินพอได้กินก็ผมได้กินพอรู้รสก็ผมเป็นคนรู้รสพอรู้สัมผัสก็ผมคนรู้สัมผัสพอรู้สบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจใจนิ่งใจเฉยใจว่างใครเป็นคนรู้ก็เราตัวเป็นคนรู้ เรารู้เราเรารู้แล้วลราไงถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆแล้วส่งต่อสัญญาว่านี่ว่าอันนี้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปุงปุงคิดมันก็เลยภาคซ้อนเราตลอดเวลาเลยถ้าเราเห็นเนี่ยมันในใจเราเนี่ยมันภาคซ้อนตลอดเวลาที่ที่ตามมองเห็นลุงตาหูดหี เ, เสียงเสียงลงตาเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ท่านต้องรู้สึกตัวอยู่ว่ากําลังกําลังมองลุงตาอยู่กําลังฟังเสียงลุงตาพูดอยู่แต่ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าใจเรื่องที่ลุงตาพูด เพราะท่านเข้าใจจําได้ท่านเดยพูดต่อได้แค่นั้นเนี่ยท่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าท่านเห็นว่าขณะที่ตามองเห็นลงตาหูฟังเสียงลงตาเนี่ยในใจพูดแข่งกับลงตาไม่หยุดเลยตัวนั้นเนี่ยท่านจะพ้นทุกข์ได้เพราะท่านจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไอ้จิตที่มันพูดได้บ่นได้เนี่ยคือเป็นจิตเขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งส่วนไอ้จิตที่ไม่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ย ไอ้จิตตัวหลังเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือพุทธะคือมันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีความรู้สึกหรือิดอารมณ์ไม่มีอาการไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันสถานใดๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีมืดไม่มีสว่างมีแต่ความรู้ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมันพุทไม่หยุดคิดไม่หยุดมันมีแต่ความรู้แต่พุทธะเนี่ยที่มารู้ตัวเราเนี่ยจิตจิตมาจิตหรือพุทธะเป็นจิตเดิมแท้เนี่ย ที่มารู้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยไอ้ผู้รู้ตัวนี้ไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสถานใดใดเลยพระองค์กล่าวว่าเป็นอสลีลังเป็นอสลีลังคือไร้รูปพันธุสถานใดใทั้งหมดไม่มีรูปพันธ์สถานใดใเลยไม่มีกิริยาการใดใไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ความรู้เท่านั้นรู้อะไรก็รู้ตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดรู้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไอ้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งน่ยไอ้จิตที่ถูกรู้เนี่ยก็คือจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ย ที่ไปรู้อะไรแล้วก็มาตรงต่อเวทนาสัญญาสังขารายในใจพูดไม่หยุดภาคไม่หยุดคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดภากไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนผู้ที่มาเห็นจิตเห็นจิตแย่างแจ่มแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นเนี่ยคือจิตที่เป็นจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นอาศรีหลังไม่ปรากฏรูปพัณฑสถานใด้เลยมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเดียวมีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ปรากฏอะไรเลยอันนั้นเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลาย เป็นอมตะอันนั้นนะตัวไอ้อจิตที่พูดได้บ่นได้พอสิ้นอายุขายาธาตุขันแตกปุ๊บาธาตุแตกขันดับไอ้ออตัวที่พูดได้บ่นได้ก็ดับไปแต่ก่อนที่ทาธาตุขันจะแตกเนี่ยธาตุจะแตกขันดับเนี่ยเราจะไปดับไอ้ตัวที่พูดได้บ่นได้ที่แข่งกับพูดแข่งกับเราในใจตลอดเวลาเนี่ยเราดับไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตมันเป็นขันห้าคือชีวิตของเราดังนั้นท่านต้องดูให้ออกว่า ท่านเอาตัวท่านเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นคนรู้หรือเปล่าถ้าเอาตัวเราเป็นคนรู้ความคิดเราจะรู้เพียงแค่รถไฟความคิดกระบวนเดียวไปกับมัน <c oughs> แต่ถ้าเราเนี่ยรู้ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยรู้อะไรแล้วมาคิดภาคอยู่ในใจพูดอยู่ในใจภาในใจพูด ใ, ใ, ในใจมันจะเปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ที่สถานีแล้วรถไฟความเร็วสูงขันแล้วขันเล่าผ่านไปความเร็วสูงกันแล้วขันเล่าผ่านไปอันนี้มันจะแตกต่างกันสังเกตให้ดี แล้วก็ปล่อยวางให้หมดคือสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่จับอะไรเลยไม่จับปล่อยไม่จับปล่อยเพียงแต่แค่สักแต่วรู้หรือว่าปล่อยทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปด้วยความเข้าใจคือว่าจิตผู้มารู้เป็นจิตเดิมแท้เป็นพุทธะตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีใดใดส่วนจิตที่ถูกรู้ที่รู้อะไรแล้วมันมาพากมาพูดมาบ่นในใจตลอดเวลาเป็นจิตธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมชาตินะคือการปรุงแต่งตามธรรมชาติขันห้า ไม่เช่ว่าเอาขันห้าไปยึดอะไรนี่ยเป็นกิเลสแต่มันเป็นขันห้าแท้ๆที่ไม่มีผู้ยึดมันยังปรุงแต่งได้ชีวิตเราไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นนิพพานขันห้าจึงไม่ได้เป็นกิเลสขันห้าจึงไม่ได้เป็นนิพพานขันห้ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่ถ้าเราไปหลงยึดขันห้าแล้วเอาขันห้าเนี่ยไปยึดอะไรมันจึงเป็นกิเลสหรือเราหลงยึดขันห้ามันก็เป็นกิเลสเพราะเราไม่อยากให้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้คือเราไม่อยากให้มันไม่สบายเราอยากให้มันสบาย เราไม่อยากมันฟุ้งซ่านเราอยากให้มันนิ่งเฉยเมื่อไหร่เราไป ม, มีความอยากกับขันห้ามจะเป็นกิเลสตัณหาทันทีหรือเอาขันห้าไปมีกิเลสกับอะไรมันจะเป็นกิเลสตัณหาทันทีไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานภพชาติแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติอ่ะมันก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจละท่ใจไปวางที่ใจตลอดเวลาดูมันที่ประตูใจอ่ะ ดูมันที่จิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันรู้อะไรแล้วมันก็มาคิดเอามาพเอาวิเคราะห์วิจารณวิจัยไม่หยุดพูดไม่หยุดมันรู้อะไรมันก็พูดไม่หยุดได้ยินอะไรก็พูดไม่หยุดได้กินอะไรก็พูดไม่หยุดวิเคราะห์ไม่หยุดริมรถอะไรมันรู้รถอะไรก็พูดไม่หยุดสัมผัสอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวสัมผัสอ่อนแข็งอะไรมันก็พูดไม่หยุดแล้วเวลาใจสบายกายสบายใจสบายกายไม่สบายใจไม่สบายใจนิ่งใจเฉยใจว่ามันพูดไม่หยุด เสี้ยววินิจทีเดียวถ้าเราไม่เห็นว่าเราเนี่ยไม่พูดอยู่ในใจไม่หยุดคืนหลงเสี้ยววินิจทีเดียวนะเพราะอะไรเสี้ยววินิทีเดียวมันเกิดดับเป็นล้านล้านขณะจิตมันจริงจะพูดไม่หยุดทียิบเลยเปไปกนเลยแต่ถ้าเราเนี่ยเสี้ยววินิทีเดียวเราไม่เห็นว่าภายในจิตใจเราเนี่ยมันพูดอยู่คนเดียวคิดตึกต้องอยู่คนเดียววิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรอยู่ในคนเดียวในใจตลอดเวลาอันเนี้ยเราเห็นแต่ ใจนิ่งใจเฉยใจว่างใจสบายอันนี้หลงเพราะอะไรหลงเพราะอะไรเรียกว่าหลงก็คือเราไปอยู่กับธรรมอารมณ์แล้วไปอยู่กับเวทนาเราส่งจิตออกนอกไปหาเวทนาแล้วเราเรารู้แต่ใจสบายใจไม่สบายใจนิ่งใจเฉยใจว่างด้าเนี้ยเราส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้ ถ้าเราส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ตูกรู้ก็เรียกว่ามันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในการเห็นผลใงจิตสกออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลใงจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมันต้องจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเพราะว่าเราส่งจิตออกนอกไปอ่ะตัวนี้ให้ท่านถาม